พระธรรมเทศนาแผ่นที่85ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27มกราคม2559มีชื่อเรื่องว่าเป็นพระต้องรู้จักรักษาตัว วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้ยห้าสิบเก้าวันนี้พระในวัดของเรามีอยู่สี่สิบสององค์นะคณะทาญายาโยมแล้วก็ฝนตกมาตั้งแต่วันอหนาวมาัแต่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าฝนตกยี่สิบหกเมื่อวานนี้ ก็รู้สึกว่าฝนตกเป็นครั้งข่าวหนาวนะไม่มีแสงแดดเลยวันที่เมื่อคืนนี่ก็ฝนตกเกือบทั้งคืนแต่ไม่แรงนะจะ ต, ตกมากระทั่งเดี๋ยวนี้อวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะปินทบาทได้ใช้ล่มได้ยินเสียงฟ้าร้องอีกต่างหากหนาวเป็นพิเศษทั้งฝนตกด้วย ทั้งหนาวด้วยระวังน่ะสุขภาพพระเนโลูกหลานผ้าห่มในวัดของเราก็น่าจะเพียงพอแต่แตามไม่จริงผ้าหมม่มมันหนาวขนาดนี้มันก็อย่างว่านั่นแะแต่ทึงยังไงเราอยู่ไต้ฟ้าไต้ดวงพระอาทิตย์ไต้ฟ้าเนี่ยจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ถ้าลูกหลานต้องหาวิธีการแก้ไข ้ามันหนาวทำยังไงทามันร้อนทำยังไงถ้ามันหิวทำยังไงทามันกระหายน้ำทำยังไงมันเกิดฉุดแทะแต่แต่ละคนต้องใช้ติใช้ปัญญารักษาสุขภาพรักษาร่างกายของตนเองแต่ถึงจะรักษาขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งมันก็ถึงถึงจุดจบของมันเหมือนกันแต่รักษาเท่าที่จะรักษาได้นะและก็วันนี้เป็นวันที่27 ท่านน้อยท่านเอากระดาษแผ่นนี้มาให้หลวงพ่อเขียนกระดาษในกระดาษแผ่นนี้ว่าคณะวัดป่าห้วยสวกและคณะสิทธวัดป่านาคำน้อยขอถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งแสนบาทเพื่อร่วมสร้างเจดีย์งหลวงตาต่อหลวงพ่อและอุทิศให้กับนายวิรัตพงประเทศซึ่งหลวงรับไปแล้ว อันนี้ก็คงจะเป็นพ่อของโยวงพ่อของท่านหน่อยที่ถวายก็ไม่เป็นไรถ้าเจดีย์ยังไม่ได้สร้างกำลังมีนั้นอยู่กาลังพูดกันอยู่แต่เมื่อไม่ได้สร้างน่วัดเรานะวะต่อไปภายภาคหน้าเก็บรวบรวมไว้เขากองทุนที่หลวงพ่อได้ตกลงเป็น นี่คำพูดตัวเองว่าจะช่วยลงตาจะสร้างเจดีย์ลงตา5้าสิบล้านบาทที่หลวงพ่อได้พูดไว้แล้วนะอันนี้ก็เข้ากองทุนตัว น, นั้น่ละได้มาเท่าไหร่หลวงพ่อจะพยายามเก็บเล็กผสมน้อยแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นจริงจังแต่ว่าคณะทศัทาญาติโยมผู้ใดรู้ก็ออกมาจะเก็บไว้เอาเข้ากองทุนไว้แต่เมื่อได้สร้างเมื่อไร ยังค่อยว่ากันทํำมาได้สร้างที่นู่นเออเอาเราจะไปสร้างที่ไหนยังค่อยว่ากันอกีกคณะกรรมการวัดของเรากลุ่มของเราประชุมกันอีกที่นึงเพราะปัจจัยนี่มันไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะเป็นปัจจัยของส่วนกลางส่วนรวมทางาจัดจิตศรัทธาออกมาเนี่ยเพื่อจะสร้างเอามาสร้างพระเจดีย์เอามาสร้างเจดีย์หลวงตาเน่ะจะสร้างที่ไหน ต้องถึงอย่างไงต้องเป็นเจดีหลวงตาจะไปสร้างกุฏิไม่ได้จะไปสร้างถนนไม่ได้ไปสร้างกุฏิหลวงตาก็บอกชัดอยู่แล้วมันต้องมีความประสงค์จุดประสงค์ของผู้ถวายเพราะนั้นจัดปัจจัยเจดีคือคือเจดีไปดูในพระวินยัยในเรื่องวินยัยก็เนี่ยชัดเจนเรื่องลหพันธ์ขลุพันธ์ ควรจะใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้สุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้นะจะตุปัจจัยนะในเมื่อเขาบ่งบอกว่าเจดีก็คือเจดีในเมื่อเป็นเครื่องมือแพทย์ก็ต้องเมืองเครื่องมือแพทย์แต่ก่อนที่จะย้ายไปทางอื่นก็ต้องบอกเจ้าของเขาก่อนถ้าเจ้าของเขายังมีจุดประสงค์เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อว่าเออเอาเข้าเป็นโรงเรียนได้ไหมไม่ครับผมมีความประสงค์จะเอาเป็นเครื่องมือแพทย์ครับ ก็ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมเอาเข้ากองทุนเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันเราจะไปขยับขยายขยายไปที่อื่นอ่ะมันไม่ถูกต้องทั้งนั้นแหะจะตุปปัจจัยเพราะนั้นต้องการใช้ปัจจัยต้องระมัดระวังจะไปใช้แบบเหมือนปัจจัยตัวเองเอได้มาแบบได้มาถึงมือเราจะไปใช้อลรุชูแจกชุมสีุมห้มไปได้นะเรื่องปัจจัยเนี่ยนะมันจุดประสงค์นะ เรียวเป็นบาปเป็นกรรมสาหรับผู้เอาไปใช้ต่างหากไม่ใช่ปัจจัยของเราเป็นปัจจัยของผู้เขาถวายมีจุดประสงค์อะไรการปฏิบัติธรรมของพวกเราในหลักของพุทธศาสนาท่านให้สังเกตตัว เ, วเองตัวเองอยู่ในจิตไหนวิตกจิต วิสุทธกิเลสคือคิดปุ่งฟุ้งตลอดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องไม่เป็นเรื่อง hey, เรื่องนิดๆห น, น่อยๆก็มาคิดมาปุงอยู่อย่างนั้นอ่ะอันนี้เราวิสกจริศนะวิสุทตกจรินะตเนี่ยให้ภาวนากรรมฐานหากักกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้อยู่กับพุทโทให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะ ถ้าผู้ใดมีจิตใจชอบโกรธโทสัมีอะไรนิดๆหน่นยนอยๆกันนะั่นแหะอารมณ์ชุนเฉียวโมโหอยู่ในจิตใจถึงจะไม่โกรธออกไปข้างนอกก็โกรธในจิตในใจอารมณ์ร้อนอยู่ในจิตใจอันนี้ท่านให้ภาวนาแผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสั์อื่น ก็ขอให้มีความสุขอย่างที่เขาไปเจ้าต้องการอย่างที่เขาไปเจ้าปรารถนาอันนี้คือคนที่มีโทสะเป็นเรือนใจต้องมีเมตตาสงสาร เ, าเราต้องการความสุขไหมเขาเขามาด่าให้เราเป็นยังไงเขามาทุบมาตีเราเป็นยังไงเขามาอิจชาพยาบาทเราเป็นยังไงถ้าเราไปทำให้กับเขาล่ะเขาก็ทุกข์เหมือนกันเพราะนั้น อยากคิดให้กับทำให้กับเขา น, ะ น, นี้หละคือคนที่มีรถโทสะจริตโกโทสะคือคนมีความกรดเป็นพื้นฐานต้องใช้เมตตานะที่คนมีราคะจริตนะราคะก็จริตคือความรักสวยรักงามาทางฝ่ายผู้หญิงก็รักผู้ชายทางฝ่ายผู้ชายก็รักผู้หญิงลักษณะอย่างนั้นนะคือการ ม, มกิเลสนะ อันนั้นท่านให้พิจารณาให้พิจารณาอสุภะให้พิจารณาอสุภะในร่างกายของเรามีอะไรบ้างตลอดทั้งการฉันอาหารนอนอยู่ในบาดอย่าไปหันฉันด้วยความเพิดเพลินอย่าไปฉันด้วยความหลงลืมอย่าไปฉันด้วยความาลิ้นติดรถอาหารแล้วก็นนะ่ะหลงรละเริงตาเถอออกไปข้างนอกนะ ไม่สำรวมในบาทเนี่ยเราเห็นเน่ยนะพระในวัดของเราเรามองอยู่หลายองค์อยู่เนี่ยเนี่แต่เราจังไม่ได้ออกมาชี้ตัวชัดๆให้ฟังอันนี้มันผิดธรรมเนียมประเพณีขององค์หลวงตาเวลาฉันยังหันเข้าไปแล้วตาเถืใอ้พวกเราดูนะให้เอากล้องโทรทัศน์มาถ่ายถ่ายให้สักหน่อยสักวันเดยเวลาพระฉันยังหันตาเถอออกไปข้างนอก แล้วเอามาให้เจ้าของก็ดูน่ะเอามาให้ตัวเองดูมเป็นยังไงมันน่าดูไห ม, มนี่แหละการฉันอาหารตาเธอออกไปข้างนอกพูดมาหลายครั้งแล้วเนะการฉันอาหารต้องจํารวมดูพิจารณาเป็นอาหารเป็นธาตุสี่เราเป็นอยู่ด้วยอาหารเ อ, อถ้าไม่มีอาหารเราเขมาไปในท้องเราจะเป็นยังไง เหมือนกับต้นไม้ไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยต้นไม้จะอยู่ได้ไหมต้นไม้ตองตายนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารเป็นอยู่ด้วยน้ำเป็นอยู่ด้วยาธาตุสีเพิ่มเข้าไปในาธาตุของเราก็อยู่ได้แต่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายอีกสักวันหนึ่งแกเจ็บตายในที่สุด ดูสิเวลากลืนอาหารเคี้ยวอาหารเข้ามาเยเคี้ยวเข้าไปในปากของเราเวลามันอ้วกออกมาอาเจียนออกมาเป็นยังไงมันน่าดูไหมจะกินจะทานเอาเข้าไปอีกได้ไหมขนาดมันเข้าไปในของตัวแทๆ้ๆก็ยังไม่กล้า ก, กินเข้าไปอีกเพราะมันอาเจียนออกมาแล้วเออมันเป็นอสุภะปฏิกูลทั้งหมดเพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเออพอทานเข้าไปก็อยู่ในกระเพาะ ออพอจากนั้นมันย่อยออกไปก็เป็นน่ น, นะอุจจาระมันเป็นยังไงในร่างกายของเรามันเฉดสวยงดงามไหมน่ารักใครชอบใจไหมสิ่งเหล่านี้พระกรรมาฐานแนละพระลูกหลานทั้งหลายนะต้องพิจารณาอสุภะปฏิกูลนี่แหละคือการระงับกามกิเลสกามราคานะถ้าไม่พิจารณาจุดนี้นะกามราคะ ตัวนี้กำเริบนะอยู่ไม่ได้ในศาสนาถ้าจะอยู่ในได้ในศาสนาต้องกำหนดพิจารณาเรื่องอสุภะปฏิกูลให้มากที่สุดแล้วก็พิจารณาถึงมรณะนุสติระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจไม่เข้ากว่าใหายใจไม่ออกกว่าใจตายทั้งนั้นเพราะนั้นให้พิจารณานะพิจารณาอสุภะบางพิจารณาความตายบางสลับกัน ถ้าคนพิจารณาอสุภะก็ดีพิจารณาความตายก็ดีนั่นแหละการมกิเลสจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เ, เพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะผานเนรลูกหลานทุกองนะการไม่ใช่ภาวนาเลยโจรู้เฉยเฉยไม่พิจารณาอะไรเ อ, อขนาดการมกิเลสเล่น อ, อหัวตัวเองอยู่พอแรงก็ยังไม่รู้จักอดอาหารบังสิผ่อนอาหารบังสิ เดินจง ก, กรมทั้งวันบ้างสิเออทําไมวะทําทไมจึงให้มันการมักกิเลสมันขึ้นขี่หัวใจของเราต้องดูนะอะต้องดูให้ดีอย่าไปส่งเสริมองหลว ง, ว ง, วงตามหาบัวเนี่ยหนมหนึ่ง้าพระหนุ่มฉันหนมเนะ่ะท่านตาปิดเฉยเลยนะอย่านะเออมันมาเพื่อศึกษาหาอะไรมันมากินอย่างนี้นะ่ะส่งเสริมการ ม, มักกิเลสใช่ไหมเนี่ย อกินไข่กินนมไม่ได้เด็ดขาดในวัดหลวงตานยะไปดูดนมให้หลวงตาได้เห็นนั้นเอออเาทันทีแต่สมัยหลวงพ่ออยู่นะไม่ใช่ธรรมดาได้หลวงตานะท่านรักษาพระเนนของท่านนะหลวงพ่อเนรู้สึกว่าปล่อยปะละเลยมากนะลูกหลานนะเออจะกินอะไรก็กินนะอืมจะกินอะไรก็กินนะเท่าที่กินได้นะอเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้ แค่นั่นแหะคือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รักษาศาสนารักษาตัวตนมารักษาศีลรักษาธรรมรักษาการคลองตัวเป็นพระที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาเนี่ยท่านรักษาอย่างไงให้ลูกหลานได้ฟังเอาไว้ทําลูกหลานเป็นผู้หวังดีนะจะเป็นผู้มุ่งมั่นในศาสนานะถ้าไม่มุ่งมั่นในศาสนาแล้วก็อย่างที่ว่าน่ะปล่อยปะแล้วเลยเฮจีเบย์ H A ย่างนั้น มแมลงวันบินของปากก็ยังไม่รู้จักว่าเป็นมแมลงวันหลับพรนะทีนี้นะ